ทำรรมันอยู่สูตรว่าด้วยบุคคลผู้รู้ธรรมภิกษุทั้งหลายภิกษุประกอบด้วยทำเจตประการนี้เป็นผู้ควรแก่ของที่เขานํามาถวายละถึงเป็นนาบุญอันยอดเยี่ยมของโลกทำเจตประการอะไรบ้างคือภิกษุในธรรมวินัยนี้ 1. เป็นธรรมมันอยู่ 2. เป็นอัฏ ฐ, ฐานยูสา เป็นอัตตันยูสี 4. เป็นมัตตันยูห้ 5. เป็นกาลันยูหกเป็นปริสันยูเจเป็นปุขลปรโลปรปรันยูภิกษุเป็นธรร ม, มันอยู่อย่างไรเคยภิกษุในธรรมวิในนี้รู้ธรรมคือสุตตะเคยะเวยากรณะคาถาอุทานอิติวุตกะชาตกะอภูตธรรมเวทันละ หาภิกษุไม่รู้ธรรมคือสุตตะละถึงเวทันละเลยเราไม่พึงเรียกถือว่าเป็นธรรมมันอยู่ในที่นี้แต่เพราะภิกษุรู้ธรรมคือสุตตะละถึงเวทันละฉะนั้นเราจึงเรียกถือว่าเป็นธรรมมันอยู่ภิกษุชื่อว่าเป็นธรร ม, มันอยูด้วยประการศนีภิกษุเป็นอันอยูอย่างไร คือภิกษุในธรรมวินัยนี้รู้ความหมายแห่งพาสิทธ์นั้นๆนั่นแลนนว่านี้เป็นความหมายแห่งพาสิทธินี้นี้เป็นความหมายแห่งพาสิทธินี้หากภิกษุไม่รู้เนื้อความแห่งพาสิทธ์นั้นๆเลยว่านี้เป็นความหมายแห่งพาสิทธินี้นี้เป็นความหมายแห่งพาสิทธินี้เราไม่พึงเรียกเธอว่าเป็นอัฏฐนอยู่ในที่นี้แต่เพราะภิกษุรู้ความหมายแห่งภาสิทธ์นั้นๆว่า นี้เป็นความหมายแห่งพาสิทธิ์นี้นี้เป็นความหมายแห่งพาสิทธนินี้ฉะนั้นเราจึงเรียกถือว่าเป็นอัฏฐันอยู่ภิกษุชื่อว่าเป็นธรรมมันอยู่อัฏฐันอยู่ด้วยประกา ร, รชนิพิสุเป็นอัฏตันอยู่อย่างไรคือภิกษุในธรรมวินัยนี้รู้จักตนว่าว่าโดยศรัทธาศีล ส, สุตะจาคะปัญญาปฏิพานเรามีอยู่ประมาณเท่านี้ หากภิกษุไม่รู้จักตนว่าว่าโดยศรัทธาศีลสุตะจาคะปัญญาปฏิพานเรามีอยู่ประมาณเท่านี้เราไม่พึงเรียกเธอว่าเป็นอัตตันอยู่ในที่นี้แต่เพราะภิกษุรู้จักตนว่าว่าโดยศรัทธาศีลสุตะจาคะปัญญาปฏิพานเรามีอยู่ประมาณเท่านี้ฉะนั้นเราจึงเรียกเธอว่าเป็นอัตตันอยู่ ภิกษุชื่อว่าเป็นธรรมมันอยู่อันอยู่อัตตัอยู่ด้วยประการฉนิภิกษุเป็นมัตตันอยู่อย่างไรคือภิกษุในธรรมวินัยนี้รู้จักประมาณในการรับจีวรบิณฑบาตเสนาสนะและคีฬานปัจจัยเพศสัตยบริคารหากภิกษุไม่รู้จักประมาณในการรับจีวรบิณฑบาตเสนาสนะและคีฬานปัจจัยเพศสัตบริคาร เราไม่พึงเรียกเธอว่าเป็นมัตตัญยูในที่นี้แต่เพราะภิกษุรู้จักประมาณในการรับจีวรบิณทบาตเสนาสนะและกีฬานปัจจัยเพตบริคารฉะนั้นเราจึงเรียกเธอว่าเป็นมัตตัญยูภิกษุชื่อว่าเป็นธรรมมันญยูอัถัญยูอัตัญยูมัตตัญยูด้วยประการเชนนี้ภิกษุเป็นกาลัญยูอย่างไร คือภิสษุในธรรมวินัยนี้รู้จากการว่านี้เป็นการแห่งอุเทศนี้เป็นการแห่งปริปุชานี้เป็นการบำเพ็ญเพียรนี้เป็นการหลีกเ้่นหากิสษุไม่รู้จากการว่านี้เป็นการแห่งอุเทศนี้เป็นการแห่งปริปุชานี้เป็นการบำเพ็ญเพียรนี้เป็นการหลีกเ้่นเราไม่เรียกเือว่าเป็นการลัยูในที่นี้ แต่เพราะภิกษุรู้จักการว่านี้เป็นการแห่งอุเทศนี้เป็นการแห่งปริปุจชานี้เป็นการบำเพ็ญเพียร น, นี้เป็นการหลีกเร้นฉะนั้นเราจึงเรียกเถอว่าเป็นการลันยูภิกษุชื่อว่าเป็นธรรมบรรยูอันัญยูอตันญยูมัตัญยูกาลันยูด้วยประการฉนี้ภิกษุเป็นปริสัญญูอย่างไร คือภิกษุในธรรมวินัยนี้รู้จักบริษัทว่านี้คัติยะบริษัทนี้พรามณ์บริษัทนี้ข้าดีบริษัทนี้สมณะบริษัทในบริษัทนั้นเราควรเข้าไปหาอย่างนี้ควรยืนอย่างนี้ควรทำอย่างนี้ควรนั่งอย่างนี้ควรกล่าวอย่างนี้ควรสงบนิ่งอย่างนี้หากภิกษุไม่รู้จักบริษัทว่านี้คัติยะบริษัทละถึง ควรสงบนิ่งอย่างนี้เราไม่เรียกเธอว่าเป็นปริสันอยู่ในที่นี้แต่เพราะภิกษุรู้จักบริสัท์ว่านี้คติยะบริสัทละถึงควรสงบนิ่งอย่างนี้ฉะนั้นเราจึงเรียกเธอว่าเป็นปริสันอยู่ภิกษุชื่อว่าเป็นธรรมมัญยูอันนยูอัตั อ, อยูมัตัญยูกาลัญยูปริสันอยู่ด้วยประการฉนี้ ภิกษุเป็นปุคละปรโรปรัญอยู่อย่างไรคือภิกษุในธรรมวิ น, นัยนี้รู้จักบุคคลสองจำพวกบุคคลสองจำพวกคือพวกหนึ่งต้องการเห็นพระอริยะอีกพวกหนึ่งไม่ต้องการเห็นพระอริยะบุคคลพวกที่ไม่ต้องการเห็นพระอริยะก็ถูกติกเตียนด้วยเหตุนั้นอย่างนี้บุคคลพวกที่ต้องการเห็นพระอริยะก็ได้รับการสรเสริญด้วยเหตุ น, ant. ห น, นั้นอย่างนี้ บุคคลผู้ต้องการเห็นพระอริยะก็มีสองจำพวกคือพวกหนึ่งต้องการฟังสัจธรรมอีกพวกหนึ่งไม่ต้องการฟังสัจธรรมบุคคลพวกที่ไม่ต้องการฟังสัจธรรมก็ถูกติเตียนด้วยเหตุนั้นอย่างนี้บุคคลพวกที่ต้องการฟังสัจธรรมก็ได้รับการสรรเสริญด้วยเหตุนั้นอย่างนี้บุคคลผู้ต้องการฟังสัจธรรมก็มีสองจำพวกคือพวกหนึ่งเยโสดฟังธรรม อีกพวกหนึ僕僕่งไม่เงียสอดฟังธรรมบุคคลพวกที่ไม่เงียสอดฟังธรรมก็ถูกติเตียนด้วยเหตุนั้นอย่างนี้บุคคลพวกที่เงียสอดฟังธรรมก็ได้รับการสรรเสริญด้วยเหตุนั้นอย่างนี้บุคคลเงียสอดฟังสัตธรรมก็มีสองจำพวกคือพวกหนึ่งฟังแล้วทรงจำธรรมไว้ได้อีกพวกหนึ่งฟังแล้วทรงจำธรรมไม่ได้บุคคลพวกที่ฟังแล้วทรงจำธรรมไม่ได้ ก็ถูกติเตียนด้วยเหตุนั้นอย่างนี้บุคคลพวกที่ฟังแล้วทรงจำธรรมไว้ได้ก็ได้รับการสรรเสริญด้วยเหตุนั้นอย่างนี้บุคคลฟังแล้วทรงจำธรรมไว้ได้ก็มีสองจำพวกเคยพวกหนึ่งพิจารณาเนื้อความแห่งธรรมที่ทรงจำไว้อีกพวกหนึ่งไม่พิจารณาเนื้อความแห่งธรรมที่ทรงจำไว้บุคคลพวกที่ไม่พิจารณาเนื้อความแห่งธรรมที่ทรงจำไว้ก็ถูกติเตียนด้วยเหตุนั้นอย่างนี้ บุคคลพวกที่พิจารณาเนื้อความแห่งธรรมที่ทรงจำไว้ก็ได้รับการสรนเสริญด้วยเหตุนั้นอย่างนี้บุคคลพิจารณาเนื้อความแห่งธรรมที่ทรงจำไว้ก็มีสองจำพวกคือพวกหนึ่งรู้อัดรู้ธรรมแล้วปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมอีกพวกหนึ่งรู้อัดรู้ธรรมแล้วไม่ปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมบุคคลพวกที่รู้อัดรู้ธรรมแล้วไม่ปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรม ก็ถูกติเตียนด้วยเหตุนั้นอย่างนี้บุคคลพวกที่รู้อัดรู้ธทำแล้วปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมก็ได้รับการสรรเสริญด้วยเหตุนั้นอย่างนี้บุคคลรู้อัดรู้ธทำแล้วปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมก็มีสองจำพวกคือพวกหนึ่งปฏิบัติเพื่อเกื้อกูลตนเองแต่ไม่ปฏิบัติเพื่อเกื้อกูลผู้อื่นอีกพวกหนึ่งปฏิบัติเพื่อเกื้อกูลตนเองและปฏิบัติเพื่อเกื้อกูลผู้อื่น บุคคลพวกที่ปฏิบัติเพื่อเกือ้อกูลตนเองแต่ไม่ปฏิบัติเพื่อเกื้อกูลผู้อื่นก็ถูกติเตียนด้วยเหตุนั้นอย่างนี้พวกที่ปฏิบัติเพื่อเกือ้อกูลตนเองและปฏิบัติเพื่อเกื้อกูลผู้อื่นก็ได้รับการสันเสริญด้วยเหตุนั้นอย่างนี้ภิกษุทั้งหลายภิกษุเป็นผู้รู้จักบุคคลสองฝ่ายด้วยประการชนนี้แล αι. ภิกษุชื่อว่าเป็นปุคลปะปโรปรันยูอย่างนี้ ภิกษุทั้งหลายภิกษุประกอบด้วยธรรมเจตประการนี้แลจึงเป็นผู้ควรแก่ของที่เขานำมาถวายและถึงเป็นนาบุญอันยอดเยี่ยมของโลกธรรมมันยูสูที่สจบฮา ปริชัดตะกะสูตรว่าด้วยอริสาวกเปรียบได้กับต้นปริชัดพิกสุทั้งหลาย 1. สมัยใดต้นไม้สวรรค์ชื่อปริชัดของเทวดาชั้นเดวดึงมีใบเหลืองสมัยนั้นเทวดาชั้นเดวดึงต่างก็ดีใจกันว่าบัดนี้ต้นไม้สวรรค์ชื่อปาริชัดมีใบเหลืองไม่นานนักเดี๋ยวใบก็จะร่วงหล่น 2. สมัยใดต้นไม้สวรรค์ชื่อปาริฉัตของเทวดาชั้นเดวเดืองผลัดใบสมัยนั้นเทวดาชั้นเดวเดืองต่างก็ดีใจว่าบัดนี้ต้นไม้สวรรค์ชื่อปาริชัตผลัดใบแล้วไม่นานนักเดี๋ยวก็จะผลิดอกออกใบ 3. สมัยใดต้นไม้สวรรค์ชื่อปาริฉัตของเทวดาชั้นเดวเดืองผลิดอกออกใบสมัยนั้นเทวดาชั้นเดวเดืองต่างก็ดีใจว่า บัดนี้ต้นไม้สวรรค์ชื่อปาริชัดผลิดอกออกใบแล้วไม่นานนักเดี๋ยวก็จกเป็นช่อใบช่อดอกสสมัยใดต้นไม้สวรรค์ชื่อปาริชัดของเทวดาชั้นเดาดึงเป็นช่อใบช่อดอกแล้วสมัยนั้นเทวดาชั้นเดาดึงต่างก็ดีใจว่าบัดนี้ต้นไม้สวรรค์ชื่อปาริชัดเป็นช่อใบช่อดอกแล้วไม่นานนักเดี๋ยวก็จกมีดอกตูง ห้าสมัยใดต้นไม้สวรรค์ชื่อปาริฉัตรของเทวดาชั้นดาวดึงมีดอกตูมแล้วสมัยนั้นเทวดาชั้นดาวดึงต่างก็ดีใจว่าบัดนี้ต้นไม้สวรรค์ชื่อปาริฉัตรมีดอกตูมแล้วไม่นานนักเดี๋ยวก็จกแย้ม 6. สมัยใดต้นไม้สวรรค์ชื่อปาริฉัตรของเทวดาชั้นดาวดึงมีดอกแย้มแล้วสมัยนั้น เทวดาชั้นเดาดึงต่างก็ดีใจว่าบัดนี้ต้นไม้สวรรค์ชื่อปาริชัดมีดอกแย้มแล้วไม่นานนักเดี๋ยวก็จักบานสะพรั่ง 7. สมัยใดต้นไม้สวรรค์ชื่อปาริฉัดของเทวดาชั้นเดาดึงออกดอกบานสะพรั่งแล้วสมัยนั้นเทวดาชั้นเดาดึงต่างก็ดีใจเ อ, อิบอิ่มพรั่งพร้อมด้วยการมาคุณห้าบำเรอตนอยู่ตลอดสี่เดือนทิพย์ ณโคนต้นไม้สวรรค์ชื่อปาริฉัดเมื่อต้นไม้สวรรค์ชื่อปาริฉัดออกดอกบานสะพรั่งแล้วแผ่รสมีไปได้ห้าสิบโยช์ในบริเวณรอบๆส่งกลิ่นโชยไปตามลมได้ร้อยโยช์นี้เป็นอนุภาพของต้นไม้สวรรค์ชื่อปาริฉัดภิกษุทั้งหลายในทำนองเดียวกันหนึ่งสมัยใดอริยสาวกคิดออกจากเรือนบวชเป็นบนรรพชิตสมัยนั้น อริยสาวกจึงเปรียบเหมือนต้นปาริฉัดของเทวดาชั้นดาวดึงที่มีใบเหลืองสสมัยใดอริยสาวกโกนผมและหนวดนุ่งห่มกาสาวพั์ออกจากเรือนบวชเป็นบนรรพชิตสมัยนั้นอริยสาวกจึงเปรียบเหมือนต้นไม้สวรรค์ชื่อปาริฉัดของเทวดาชั้นดาวดึงที่ผลัดใบแล้วสาม สมัยใดอริยสาวกสงัดจากกามและอกุศลทั้งหลายแล้วบรรลุปฐมฌานละถึงสมัยนั้นอริยสาวกจึงเปรียบเหมือนต้นไม้สวรรค์ชื่อปาริชัตดของเทวดาชั้นดาวดึงที่ผลิด อ, อกออกใบแล้ว 4. สมัยใดอริยสาวกเพราะวิตกวิจารณ์สงบระงับไปบรรลุทุติยฌานละถึงสมัยนั้น อริยสาวกจึงเปรียบเหมือนต้นไม้สวรรค์ชื่อปาริชัตดของเทวดาชั้นดาวเดืองที่เป็นช่อใบช่อดอกแล้ว 5. สมัยใดอริยสาวกเพราะปิติจางคลายไปมีอุเบกขามีสติสัมปชัญญะสวยสุขด้วยนามกายบรรลุตดัดยฌานละถึงสมัยนั้นอริยสาวกจึงเปรียบเหมือนต้นไม้สวรรค์ชื่อปาริชัตดของเทวดาชั้นดาวเดือง ที่มีดอกตูมแล้ว 6. สมัยใดอริยสาวกเพราะละสุขและทุกข์ได้เพราะสมนัติและโทมนัตดับไปก่อนแล้วบรรลุจตุทัชฌานละถึงสมัยนั้นอริยสาวกจึงเปรียบเหมือนต้นปาริฉัตดของเทวดาชั้นเดวเดืองที่มีดอกแย้มแล้ว 7. สมัยใดอริยสาวกทําให้แจ้งเจโตวิมุตติปัญญาวิมุตติอันไม่มีอาสวะ เพราะอาสวะสิ้นไปละถึงสมัยนั้นอริยสาวกจึงเปรียบเหมือนต้นไม้สวรรค์ชื่อปาริชัตดของเทวดาชั้นดาวดึงที่ออกดอกบานสะพรั่งแล้วภิกษุทั้งหลายสมัยนั้นภุมิมัทเทวดากระจายข่าวว่าท่านรูปนี้มีชื่ออย่างนี้เป็นสัตธิวิหาริกของท่านผู้มีชื่อนี้ได้ออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตจากบ้านหรือนิคมชื่อโน้น ได้ทำให้แจ้งเจโตวิมุตติปัญญาวิมุตต์อันไม่มีอาสวะเพราะอาสวะสิ้นไปด้วยปัญญาอันยิ่งเองเข้าถึงอยู่ในปัจจุบันแน่แท้เทวดาชั้นจาตุมหาราศสดับเสียงของภูมิเทวดาแล้วได้กระจายข่าวต่อไปละถึงเทวดาชั้นดาวดึงเทวดาชั้นยามาเทวดาชั้นดุสิตเทวดาชั้นนิมมานารดี เทวดาชั้นปรนิมิตวัสวัตดีละถึงเทวดาชั้นพรหมกายิกาสดับเสียงของเทวดาชั้นปรนิมิตวัสวัตตีแล้วก็กระจายข่าวว่าท่านรูปนี้มีชื่ออย่างนี้เป็นสัตทธิวิหาริกของท่านผู้มีชื่อนี้ได้ออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตจากบ้านหรือนิคมชื่อโน้นได้ทำให้แจ้งเจโตวิมุตปัญญาวิมุตอันไม่มีอาสวะเพราะอาสวะสิ้นไป ด้วยปัญญาอันยิ่งเองเข้าถึงอยู่ในปัจจุบันเพียงครู่เดียวเท่านั้นเสียงเปล่าประกาศได้กระจายขึ้นไปถึงพรหมโลกด้วยประกาะฉนี้นี้เป็นอนุภาพของภิกษุผู้เป็นขีณาศพปาริชตตกะสูที่หจบ หกสักกัจจสูตรว่าด้วยความเคารพครั้งนั้นท่านพระสารีบุตรหลีเร่นอยู่ในที่สงดัดได้เกิดความคิดคำหนึงขึ้นอย่างนี้ว่าภิกษุสักกะระเคารพอาศัยอะไรหนอแลอยู่จึงละอกุศลเจริญกุศลได้ลำดับนั้นแหละท่านพระสารีบุตรจึงมีความคิดดังนี้ว่าหนึ่งภิกษุสักกระเคารพอาศัยพระศาสดาอยู่ จึงละอกุศลเจริญกุศลได้ 2. ภิกษุสักการะเคารพอาศัยพระธรรมละถึง 3. ภิกษุสักการะเคารพอาศัยพระสงฆ์ 4. ภิกษุสักการะเคารพอาศัยศิกขาห้าพิสุสักการะเคารพอาศัยสมาธิ 6. ภิกษุสักการะเคารพอาศัยความไม่ประมาท 7. ภิกษุสักการะเคารพอาศัยปฏิสันถานอยู่จึงละอกุศลเจริญกุศลได้ต่อมาท่านพระสารีบุตรได้มีความคิดอย่งนี้ว่าธรรมของเราเหล่านี้บริสุทธิ์ผุดพองทางที่ดีเราควรจะไปกราบทูลธรรมเหล่านี้แด่พระผู้มีพระภาคธรรมของเราเหล่านี้จะบริสุทธิ์และนับว่าบริสุทธิ์ยิ่งขึ้นด้วยอาการอย่างนี้เปรียบเหมือนบุรุษได้ทองคําแท่งอนบริสุทธิ์ผุดพอง เขามีความคิดอย่างนี้ว่าทองคำแท่งของเรานี้บริสุทธิ์ผุดพองทางที่ดีเราควรจะไปเสนอทองคำแท่งนี้แก่ช่างทองทองคำแท่งของเรานี้ไปถึงช่างทองแล้วจากบริสุทธิ์และนับว่าบริสุทธิ์ยิ่งขึ้นด้วยอาการอย่างนี้แม้ชันใดทำของเราเหล่านี้ก็ฉันนั้นเหมือนกันจากบริสุทธิ์ผุดพองทางที่ดีเราควรจะไปกราบทูลทำเหล่านี้แด่พระผู้มีพระภาค ธรรมของเราเหล่านี้ก็จะบริสุทธิ์และนับว่าบริสุทธิ์ยิ่งขึ้นด้วยอาการอย่างนี้ครั้นี้เวลาเย็นท่านพระสารีบุตรได้ออกจากที่หลีกเร้นเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายอภิวาทแล้วนั่งณที่สมควรได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญขอประทานวโรกาสข้าพระองค์หลีกเร้นอยู่ในที่สงัด เกิดความคิดคำนึงขึ้นอย่างนี้ว่าภิกษุสักกะระเคารพอาศัยอะไรหนอแลอยู่จึงละอะกุศลเจริญกุศลได้ลำดับนั้นแลข้าพระองค์จึงเกิดความคิดดังนี้ว่าหนึ่งภิกษุสักกะระเคารพอาศัยพระศาสดาอยู่จึงละอะกุศลเจริญกุศลได้สองภิกษุสักกะระเคารพอาศัยพระธรรมละถึง ภิกษุสักกะระเคารพอาศัยพระสงฆ์ 4. ภิกษุสักกะระเคารพอาศัยศิคา 5. ภิกษุสักกะระเคารพอาศัยสมาธิ 6. ภิกษุสักกะระเคารพอาศัยความไม่ประมาท 7. ภิกษุสักกะระเคารพอาศัยปฏิสันทานอยู่จึงและอกุศลเจริญกุศลได้ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ต่อมาข่าพระองค์ได้มีความคิดอย่างนี้ว่าทาของเราเหล่านี้บริสุทธิ์ผุดพองทางที่ดีเราควรจะไปกราบทูลทาเหล่านี้แด่พระผู้มีพระภาคทาของเราเหล่านี้จกบริสุทธิ์และนับว่าบริสุทธิ์ยิ่งขึ้นด้วยอาการอย่างนี้เปรียบเหมือนบุรุษได้ทองคำแท่งที่บริสุทธิ์ผุดพองเขามีความคิดอย่างนี้ว่าทองคาแท่งของเรานี้บริสุทธิ์ผุดพอง ทางที่ดีเราควรจะไปเสนอทองคําแท่งนี้แก่ช่างทองทองคําแท่งของเรานี้ไปถึงช่างทองแล้วจากบริสุทธิ์และนับว่าบริสุทธิ์ยิ่งขึ้นด้วยอาการอย่างนี้แม้ฉันใดธรรมของเราเหล่านี้ก็ฉันนั้นเหมือนกันจากบริสุทธิ์ผุดผ่องทางที่ดีเราควรจะไปกราบทูลธรรมเหล่านี้แด่พระผู้มีพระภาคธรรมของเราเหล่านี้ก็จกบริสุทธิ์ และนับว่าบริสุทธิ์ยิ่งขึ้นด้วยอาการอย่างนี้พระผู้มีพระภาคตรัสว่าดีละดีละสารีบุตรภิกษุสักกรัเคารพอาศัยาศาสดาอยู่จึงละอกุศลจเจริญกุศลได้ละถึงอาศัยธรรมอาศัยสง์อาศัยศิกขาอาศัยสมาธิอาศัยความไม่ประมาทละถึงสารีบุตร ภิกษุสักกะระเคารพอาศัยปฏิสันทานอยู่จึงละอกุศลเจริญกุศลได้เมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสอย่างนี้แล้วท่านพระสารีบุตรเรียกราบทูลพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์ย่อมรู้ชัดเนื้อความแห่งพระภาสิทธิที่พระผู้มีพระภาคตรัสไว้โดยย่อ น, นี้ได้โดยพิสดารอย่างนี้ว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ 1-2 ถึงสองเป็นไปไม่ได้เลยที่ภิกษุผู้ไม่มีความเคารพในพระศาสดาจกมีความเคารพในพระธรรมภิกษุผู้ไม่มีความเคารพในพระศาสดาก็ชื่อว่าไม่มีความเคารพในพระธรรมด้วยพระพุทธเจ้าค่ะ 3. าเป็นไปไม่ได้เลยที่ภิกษุผู้ไม่มีความเคารพในพระศาสดาไม่มีความเคารพในพระธรรมจกมีความเคารพในพระสงฆ์ภิกษุผู้ไม่มีความเคารพในพระศาสดา ไม่ม in <Gift. builders. S 1> ีความเคารพในพระธรรมก็ชื่อว่าไม่มีความเคารพในพระสงฆ์ด้วยพระพุทธเจ้าค่ะ 4. เป็นไปไม่ได้เลยที่ภิกษุผู้ไม่มีความเคารพในพระศาสดาไม่มีความเคารพในพระธรรมไม่มีความเคารพในพระสงฆ์จะมีความเคารพในศึกษาภิกษุผู้ไม่มีความเคารพในพระศาสดาไม่มีความเคารพในพระธรรมไม่มีความเคารพในพระสงฆ์ก็ชื่อว่า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 ไม่มีความเคารพในสมาธิด้วยพระพุทธเจ้าค่า 6. เป็นไปไม่ได้เลยที่ภิกษุผู้ไม่มีความเคารพในพระศาสดาไม่มีความเคารพในพระธรรมไม่มีความเคารพในพระสงฆ์ไม่มีความเคารพในศีรษาไม่มีความเคารพในสมาธิจกมีความเคารพในความไม่ประมาทภิกษุผู้ไม่มีความเคารพในพระศาสดาไม่มีความเคารพในพระธรรมไม่มีความเคารพในพระสงฆ์ ไม่มีความเคารพในศึกษาไม่มีความเคารพในสมาธิก็ชื่อว่าไม่มีความเคารพในความไม่ประมาทด้วยพระพุทธเจ้าค่ะ 7. เป็นไปไม่ได้เลยที่ภิกษุผู้ไม่มีความเคารพในพระศาสดาไม่มีความเคารพในพระธรรมไม่มีความเคารพในพระสงฆ์ไม่มีความเคารพในศึกษาไม่มีความเคารพในสมาธิไม่มีความเคารพในความไม่ประมาทจากมีความเคารพในปฏิสันฐาน ภิกษุผู้ไม่มีความเคารพในพระศาสดาไม่มีความเคารพในพระธรรมไม่มีความเคารพในพระสงฆ์ไม่มีความเคารพในศิกขาไม่มีความเคารพในสมาธิไม่มีความเ ค, รรมมคาครพ ใ, ใ, ในความไม่ประมาทก็ชื่อว่าไม่มีความเคารพในปฏิสันฐานด้วยพระพุทธเจ้าค่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญหนึ่งถึงสองเป็นไปไม่ได้เลยที่ภิกษุผู้มีความเคารพในพระศาสดา จักไม่มีความเคารพในพระธรรมพิกสุผู้มีความเคารพในพระศาสดาก็ชื่อว่ามีความเคารพในพระธรรมด้วยพระพุทธเจ้าค่า 3. เป็นไปไม่ได้เลยที่พิกสุผู้มีความเคารพในพระศาสดามีความเคารพในพระธรรมจากไม่มีความเคารพในพระสงฆ์พิกสุผู้มีความเคารพในพระศ า, ด า, าสดามีความเคารพในพระธรรมก็ชื่อว่ามีความเคารพในพระสงฆ์ด้วยพระพุทธเจ้ s> <S คาค่ะ สเป็นไปไม่ได้เลยที่ภิกษุผู้มีความเคารพในพระศาสดามีความเคารพในพระธรรมมีความเคารพในพระสงฆ์จากไม่มีความเคารพในศิคาภิกษุผู้มีความเคารพในพระศาสดามีความเคารพในพระธรรมมีความเคารพในพระสงฆ์ก็ชื่อว่ามีความเคารพในศิขาด้วยพระพุทธเจ้าค่ะ 5. เป็นไปไม่ได้เลยที่ภิกษุผู้มีความเคารพในพระศาสดา มีความเคารพในพระธรรมมีความเคารพในพระสงฆ์มีความเคารพในสิกขาจากไม่มีความเคารพในพสมาธิพิษุผู้มีความเคารพในพระศาสดามีความเคารพในพระธรรมมีความเคารพในพระสงฆ์มีความเคารพในสิกขาก็ชื่อว่ามีความเคารพในสมาธิด้วยพระพุทธเจ้าค่า 6. เป็นไปไม่ได้เลยที่พิสุผู้มีความเคารพในพระศาสดา มีความเคารพในพระธรรมมีความเคารพในพระสงฆ์มีความเคารพในศิกขาก็ชื่อว่ามีความเคารพในสมาธิด้วยพระพุทธเจ้าค่ะ 6. เป็นไปไม่ได้เลยที่ภิกษุผู้มีความเคารพในพระศาสดามีความเคารพในพระธรรมมีความเคารพในพระสงฆ์มีความเคารพในศิกขามีความเคารพในสมาธิจกไม่มีความเคารพในความไม่ประมาทภิกษุ ผู้มีความเคารพในพระศาสดามีความเคารพในพระธรรมมีความเคารพในพระสงฆ์มีความเคารพในศิกขามีความเคารพในสมาธิก็ชื่อว่ามีความเคารพในความไม่ประมาทด้วยพระพุทธเจ้าค่ะเจ็เป็นไปไม่ได้เลยที่ภิกษุผู้มีความเคารพในพระศาสดามีความเคารพในพระธรรมมีความเคารพในพระสงฆ์มีความเคารพในศิกขามีความเคารพในสมาธิ มีความเคารพในความไม่ประมาทจากไม่มีความเคารพในปฏิสันฐานภิกษุผู้มีความเคารพในพระศาสดามีความเคารพในพระธรรมมีความเคารพในพระสงฆ์มีความเคารพในสิกขามีความเคารพในสมาธิมีความเคารพในความไม่ประมาทก็ชื่อว่ามีความเคารพในปฏิส <spirit> <sein> ันฐานด้วยพระพุทธเจ้าค่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญหนึ่งถึง6 เป็นไปได้ที่ภิกษุผู้มีความเคารพในพระศาสดาจกมีความเคารพในพระธรรมด้วยภิกษุผู้มีความเคารพในพระศาสดาก็ชื่อว่ามีความเคารพในพระธรรมด้วยพระพุทธเจ้าค่าละถึงเจเป็นไปได้ที่ภิกษุผู้มีความเคารพในพระศาสดาละถึงมีความเคารพในความไม่ประมาทจกมีความเคารพในปฏิสันทานด้วยภิกษุ ผู้มีความเคารพในพระศาสดามีความเคารพในพระธรรมมีความเคารพในพระสงฆ์มีความเคารพในศึกษามีความเคารพในสมาธิมีความเคารพในความไม่ประมาทก็ชื่อว่ามีความเคารพในปฏิสันถานด้วยข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์ย่อมรู้ชัดเนื้อความแห่งพระภาสิทธิที่พระผู้มีพระภาคตรัสไว้โดยย่อนี้ได้โดยพิสดารอย่างนี้ พระผู้มีพระภาคตรัสว่าดีละดีละสารีบุตรดีจริงสารีบุตรเธอรู้ชัดเนื้อความแห่งภาสิต ท, ที่เรากล่าวไว้โดยย่อนี้ได้โดยพิสดารอย่างนี้สารีบุตรหนึ่งถึง6เป็นไปไม่ได้เลยที่ภิกษุผู้ไม่มีความเคารพในศาสดาจากมีความเคารพในธรรมภิกษุผู้ไม่มีความเคารพในศาสดาก็ชื่อว่าไม่มีความเคารพในธรรมด้วย และถึงภิกษุผู้ไม่มีความเคารพในศาสดาไม่มีความเคารพในธรรมไม่มีความเคารพในสงฆ์ไม่มีความเคารพในสิกขาไม่มีความเคารพในสมาธิก็ชื่อว่าไม่มีความเคารพในความไม่ประมาทด้วย 7. เป็นไปไม่ได้เลยที่ภิกษุผู้ไม่มีความเคารพในศาสดาไม่มีความเคารพในธรรมไม่มีความเคารพในสงฆ์ไม่มีความเคารพในสิกขาไม่มีความเคารพในสมาธิ ไม่มีความเคารพในความไม่ประมาทจกมีความเคารพในปฏิสันฐานภิกษุผู้ไม่มีความเคารพในศาสดาไม่มีความเคารพในธรรมไม่มีความเคารพในสงฆ์ไม่มีความเคารพในศิกขาไม่มีความเคารพในสมาธิไม่มีความเคารพในความไม่ประมาทก็ชื่อว่าไม่มีความเคารพในปฏิสันฐานด้วยสารีบุตรหนึ่งถึงห เป็นไปไม่ได้เลยที่ภิกษุผู้มีความเคารพในศาสดาจกไม่มีความเคารพในธรรมภิกษุผู้มีความเคารพในศาสดาก็ชื่อว่ามีความเคารพในธรรมด้วยละถึงเจ็ดเป็นไปไม่ได้เลยที่ภิกษุผู้มีความเคารพในศาสดามีความเคารพในธรรมมีความเคารพในสงมีความเคารพในศีรษามีความเคารพในสมาธิมีความเคารพในความไม่ประมาท จากไม่มีความเคารพในปฏิสันฐานภิกษุผู้ม in ีความเคารพในศาสดามีความเคารพในธรรมมีความเคารพในสงมีความเคารพในสิกขามีความเคารพในสมาธิมีความเคารพในความไม่ประมาทข้อชื่อว่ามีความเคารพในปฏิสันฐานด้วยสารีบุตรหนึ่งถึง6เป็นไปได้ที่ภิกษุผู้มีความเคารพในศาสดาจกมีความเคารพในธรรมด้วย ภิกษุผ you ู้มีความเคารพในศาสดาก็ชื่อว่ามีความเคารพในธรรมด้วยละถึงเจเป็นไปได้ที่ภิกษุผู้มีความเคารพในศาสดาละถึงมีความเคารพในความไม่ประมาทจกมีความเคารพในปฏิสันฐานด้วยภิกษุผู้มีความเคารพในศาสดาละถึงมีความเคารพในความไม่ประมาทก็ชื่อว่ามีความเคารพในปฏิสันฐานด้วย สารีบุตรเธอพึงทราบเนื้อความแห่งพาสิทธิ์ที่เรากล่าวไว้โดยย่อ น, นี้แลโดยพิสดารอย่างนี้สกักกจะสูตรที่หจบ